ธาตุนิเทศส่วนธาตุอันกล่าวไว้ต่ออายตนะนั่นไปมีวินิจฉัยว่าธาตุสิบปดคือจากขู่ธาตุรูปธาตุจากขูวิญญาณธาตุโสตธาตุสัทธาธาตุโสตวิญญาณธาตุขานาธาตุขันธธาตุขานวิญญาณธาตุ ชิวหาธาตุพระธาตุชิวหาวิญญาณธาตุกายธาตุโหตภพธาตุกายวิญญาณธาตุมโนธาตุธรรมธาตุมโนวิญญาณธาตุชื่อว่าธาตุทั้งหลายวินิจฉัยในธาตุเหล่านั้นบัณฑิตพึงทราบโดยอัฏถะโดยลักษณะเป็นต้นโดยลำดับ โดยความมีเพียงนั้นโดยความนับจำนวนโดยปัจจัยและโดยเป็นสิ่งพึงเห็นวินิจฉัยโดยอัฏฐะในข้อเหล่านั้นข้อว่าโดยอัฏฐะความว่าวินิจฉัยโดยอัฏฐะที่แปลกกันแห่งจกักขุสัพ์เป็นต้นบัณดิตพึงทราบโดยในยะเช่นว่า ธรรมชาติใดย่อมบอกเหตุนั้นธรรมชาตินั้นจึงชื่อว่าจักขูสิ่งใดย่อมแสดงสีเหตุนั้นสิ่งนั้นจึงชื่อว่ารูปความรู้แจ้งแห่งจักขูคือจักขูวิญญาณดังนี้เป็นต้นก่อนส่วนว่าวินิจฉัยโดยอัฏฐะที่ไม่แปลกกันพึงทราบดังนี้ ธรรมะใดย่อมจัดคือทำทุกข์ให้เกิดขึ้นเหตุนั้นธรรมะนั้นจึงชื่อว่าธาตุแปลว่าธรรมะผู้จัดขึ้นหรือว่าธรรมะทั้งหลายใดอันสัตทั้งหลายทรงไว้คือถือไวเหตุนั้นธรรมะทั้งหลายนั้นจึงชื่อว่าธาตุแปลว่าธรรมะที่สัตว์ทรงไว้ คำว่าวิทานการตั้งไว้คือกฎเกณฑ์ชื่อว่าธาตุหรือว่าทุกขอันสัตว์ทั้งหลายทรงไว้คือถือไว้ด้วยธรรมชาตินั้นเป็นเหตุเหตุนั้นธรรมชาตินั้นจึงชื่อว่าธาตุแปลว่าธรรมชาติเป็นเหตุทรงทุกไว้แห่งสัตว์ทั้งหลายหรือว่าทุก์ อันสัตว์ทั้งหลายทรงไว้คือตั้งไว้ในธรมนนนนธรมชาตินั่นเหตุนั้นธรรมชาตินั้นจึงชื่อว่าธาตุแปลว่าธรรมชาติเป็นที่อันสัตว์ทรงทุกไว้จริงอยู่ธาตุทั้งหลายที่เป็นโลกิยะเป็นสิ่งที่ธรรมดากำหนดไว้โดยความเป็นตัวมูลเหตุย่อมจัดแจงสังสารทุกข์ขึ้นเป็นอเนกประการ ดุดาธาตุคือแร่ทั้งหลายมีาธาตุทองทาธาตุเงินเป็นอาทิจัดสรรโลหะมีทองและเงินเป็นต้นขึ้นฉะนั้นอันหนึ่งโลกิยะธาตุทั้งหลายนั้นอันสัตว์ทั้งหลายทรงไว้หมายความว่ายึดถือไวดุดภาระคือของหนักอันคนทั้งหลายผู้นำภาระถือแบกหามไปฉะนั้น อันหนึ่งโลกิยาธาตนนั้นเป็นแต่ทุกขวิธานคือกฎเกณฑ์แห่งทุกข์เท่านั้นเพราะไม่เป็นไปในอำนาจของใครสังสารทุกอันสัตว์ทั้งหลายตามยึดถือไว้ก็ด้วยธาตุทั้งหลายนั่นเป็นเหตุสังสารทุกนั้นที่ถูกจัดไว้แล้วอย่างนั้นสัตว์ทั้งหลายก็ทรงไว้หมายความว่า สร้างไว้ในธาตุทั้งหลายนั่นแหลในธรรมทั้งหลายมีจักขู่เป็นต้นธรรมตแต่ละข้อทรงเรียกว่าธาตุก็โดยอำนาจแห่งความหมายมีความหมายว่าวิทหัติคือจัดขึ้นและวิธียติอันสัตว์ทรงไว้เป็นต้นตามความที่เป็นไปดังกล่าวมาชนนี้ อีกนัยยะหนึ่งธาตุนี้หาเหมือนอัตตาของพวกเดรรทีซึ่งไม่ได้มีอยู่โดยสภาวะไม่แต่ธาตุนี้ได้ชื่อว่าธาตุเพราะส่งไว้ซึ่งสภาวะของตนอันหนึ่งเศลาวยวะคือชิ้นหินทั้งหลายมีหรอระดานและมโนศิลาเป็นต้นอันวิจิตแปลกแปลกในโลกก็เรียกว่าธาตุฉันใด แม้ธาตุทั้งหลายนี้ก็เหมือนธาตุทั้งหลายนั่นเพราะมันก็เป็นอวัยวะแห่งความรู้และสิ่งที่ควรรู้อันวิจิตฉันนั้นแหลหรือเปรียบเหมือนสมยาว่าธาตุย่อมมีได้ในโกฎฐานะทั้งหลายอันกาหนดลักษณะต่างกันและกันเช่นรถละโลหิตเป็นต้นซึ่งเป็นอวัยวะแห่งกลุ่มกล่าวคือสรีระฉันใด สมยาว่าธาตุก็พึงทราบว่ามีได้แม้ในอวัยวะทั้งหลายแห่งอัตภาพกล่าวคือขันหานี้ฉันนั้นเพราะอวัยวะมีจักขู่เป็นต้นนั้นก็กำหนดลักษณะต่างกันและกันได้แลอีกอย่างหนึ่งคำว่าธาตุนั่นเป็นคำเรียกสภาวะที่เป็นนิรชีพคือไม่มีชีพเท่านั้นเอง จึงอย่างนั้นพระผู้มีพระภาคก็ได้ทรงรรทาาเทศนาเพื่อถอนชีวสัญญาความสำคัญว่าชีพไว้ในพระบาลีว่าภิกษุบุรุษนี้มีท่าหกดังนี้เป็นอาทิและเพราะเหตุ น, นั้นโดยอัฏฐะตามที่กล่าวมาเัณิตพึงทราบวิเคราะห์ว่าจากสุด้วยจากขุนั้นเป็นทาาด้วย จึงชื่อว่าจะขู่ธาตุจนถึงมโนวิญญาณด้วยมโนวิญญาณนั้นเป็นธาตุด้วยจึงชื่อว่ามโนวิญญาณธาต์แลวินิจัยโดยอัฏฐในธาตุเหล่านั้นบันดิตพึงทราบดังกล่าวมาชนิดเป็นอันดับแรกโดยลักษณะเป็นต้น ข้อว่าโดยลักษณะเป็นต้นความว่าวินิจฉัยโดยลักษณะเป็นต้นแห่งธาตุมีจักขู่เป็นอาธิในนิเทศนี้บัณฑิตก็พึงทราบด้วยก็แต่ว่าลักษณะเป็นต้นแห่งธาตุทั้งหลายนั้นพึงทราบโดยในยะที่กล่าวแล้วในคันทะนิเทศเถิดโดยลำดับข้อว่าโดยลำดับความว่า แม้ในที่นี้บรรดาลำดับทั้งหลายมีลำดับแห่งความเกิดเป็นต้นที่กล่าวแล้วในนิเทศก่อนก็ลำดับแห่งการแสดงเท่านั้นใช้ได้ก็แลลำดับแห่งการแสดงนี้นั้นท่านกล่าวโดยกาหนดลำดับแห่งเหตุและผลจริงอยู่ธาตุทั้งสองนี้คือจากขู่ธาตุและรูปธาตุเป็นเหตุธาตุหนึ่ง คือจักขุวิญญาณเป็นผลลำดับอย่างนี้บัณฑิตพึงทราบในธาตุที่เหลือทั้งปวงโดยความมีเพียงนั้นคำว่าตาวัตวะโตคือตาวะพาวะโตโดยความมีเพียงนั้นพระพุทธที่ายนี้มีอยู่ว่าหากมีคำท้วงว่า ก็แม้ธาตุทั้งหลายอื่นเช่นอาภาธาตุสุภธาตุอากาศานัญจายตนะธาตุวิญญานัญจายตนะธาตุอากินจัญญายตนะธาตุเนวัสัญญานาสัญญายตนะธาตุสัญญาเวทายตานิโรธาตุกามาธาตุพยาปาธาตุวิหิงสาธาตุเนคขมาธาตุอภยาปาธาตุอวิหิงสาธาตุ สุขธาตุทุกธาตุโสมนัสธาตุโทมนัสธาตุอุเปขาธาตุอวิชชาธาตุอารามพธาตุนิกกามธาตุปรกรรมธาตุหินาธาตุมชิมะธาตุปณีตาธาตุปัทวีธาตุอาโปธาตุเตโชธาตุวายโยธาตุอากาศธาตุวิญญาณธาตุสังกตธาตุอสังกตธาตุ โลกมีธาตุเป็นอเนกมีธาตุต่างๆดังนี้เป็นต้นก็ปรากฏอยู่ในบางที่แห่งพระสูตรและพระอภิธรรมนั้นๆเมื่อเป็นอย่างนี้เหตุไฉนพระผู้มีพระภาคจึงไม่ทรงทำปริเฉตคือกำหนดจัดเข้าเป็นหมวดโดยอำนาจแห่งธาตุทั้งสิ้นมาทรงทาปริเฉตแต่ว่าธาตุสิบแปดเหล่านี้เล่าดังนี้ไซ คำฉเฉลยพึงมีว่าเพราะาธาตุทั้งปวงอันมีอยู่โดยสภาวะก็ตกอยู่ภายในธาตุสิบแปนั้นแล้วแท้จริงอาภ า, าธาตุก็คือรู ป, ปราธาตุส่วนสุภาธาตุก็เนื่องอยู่ในรู ป, ปราธาตุเป็นต้นเพราะอะไรเพราะสุภาธาตุก็คือสุภนิมิตจริงอยู่สุภาธาตุคือสุภนิมิต และสุภานิมิตนั้นพ้นไปจากรูปเป็นต้นหามีไม่ในยะหนึ่งสุภธาตก็คือธรรมะทั้งหลายมีรูปเป็นต้นที่เป็นอารมณ์แห่งกุศ ล, ละวิบากเพราะเหตุนั้นสุภธาต้นก็คือรูปธาตุเป็นต้นเท่านั้นเองจิตในอรูปธาตุสี่มีอากาสานันจายตนะธาตุเป็นต้นก็เป็นมโนวิญญาณธาตุ ธรรมะทั้งหลายที่เหลือเป็นธรรมะธาตุส่วนสัญญาเวทาิตานิโรธาตุไม่มีโดยสภาวะเพราะสัญญาเวทยิตานิโรธาตุนั้นเป็นแต่ความดับแห่งธาตุสองคือมโนวิญญาณธาตุและธรรมธาตุเท่านั้นกามาธาตุก็เป็นแต่ธรรมธาตุดังพระบาลีว่าในธาตุเหล่านั้น กามทธาตุเป็นอย่างไรกามทธาตุคือความคิดความตรึกจนถึงความดำฤทธิผิดอันเกี่ยวเนื่องด้วยกามดังนี้หรือมิฉนั้นก็เป็นธาตุทั้งสิบปดดังพระบาลีว่าเบื้องต่ำทำอเวจีนรกให้เป็นที่สุดเบื้องสูงทำพวกเทพประนิมิตะสวัสดีไว้ภายในขันธาตุอายตนะ รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่ท่องเที่ยวอยู่ในภพทั้งหลายนั่นที่เนื่องอยู่ในภพทั้งหลายนั่นในระหว่างที่กำหนดนั้นอันใดอันนี้เรียกว่ากรรมาธาตุดังนี้เนคขมมธรมธาตุเป็นธรรมาธาตุแท้แม้จะเป็นโนวิญญาณาธาตุก็ได้เหมือนกันเพราะมีพระบาลีว่า ธรรมะทั้งหลายที่เป็นกุศลทั้งปวงชื่อว่าเนคขมธาตุพยาปาทาธาตุวิหิงสาธาตุอภยาปาทธาตุตวิหิงสาธาตุสุขธาตุทุกขธาตุสมณสธาตุทมณสธาตุอุเปกขาธาตุอวิชชาธาตุอารมภธาตุนิกรรมธาตุและปรกกรรมธาตุก็เป็นธรรมธาตุเหมือนกัน หีนธาต์มัชิมทธาต์ปานิตทธาต์ก็คือธาตุสิบปดนั่นเองจริงอยู่ธาตุมีจากขุธาตุเป็นต้นที่เลวก็เป็นหีนธาต์ที่ปานกลางและที่ปาณีตก็เป็นมัชิมทธาต์และปานิตทธาต์แต่เมื่อว่าโดยนิปริยายคือสิ้นเชิงธรรมธาต์และมโนวิญญาณธาต์ทั้งหลายายอกุศล จัดเป็นฮีนาธาต์ธาตุทั้งสองนั้นฝ่ายกุศลและอัพยากริตที่เป็นโลกิยะมีจักขุธาตุเป็นต้นจัดเป็นมชิมาธาตส่วนธรรมธาตุและมโนวิญญาณธาตุที่เป็นโลกุตระจัดเป็นปานีตาธาตปัทวีธาตเตโชธาต์และวาโยธาต์ก็ได้แก่ผดทพธาต อโปธาต์และอากาศธาตุจัดเป็นธรรมธาตุวิญญาณธาตุก็เป็นสังเขปแห่งวิญญาณธาตุเจ็มีจักขูวิญญาณเป็นต้นนั่นแหละธาตุสิและเอกเทศแห่งธรรมธาตุเป็นสังกตธาตุส่วนสังกตธาตุได้แก่เอกเทศแห่งธรรมธาตุอย่างเดียว ส่วนโลกที่เป็นอเนกธาตุและนานาธาตุก็เป็นเพียงความแตกออกไปเป็นหลายอย่างต่างชนิดแห่งธาตุสิบแปดเท่านั้นเองแหละพระผู้มีพระภาคตรัสธาตุแต่สิบแปดเพราะธาตุทั้งปวงอันมีอยู่โดยสภาวะตกอยู่ภายในธาตุสิบแปดนั้นแล้วดังกล่าวมาชนนี้อีกอย่างหนึ่งพระผู้มีพระภาค ตรัสธาตุแต่สิบปเพื่อถอนสัญญาของบุคคลจำพวกชีวสัญญีคือพวกมีความสาคัญว่ามีชีวะในวิญญาณอันมีความรู้เป็นสภาพด้วยจริงอยู่บุคคลจำพวกชีวสัญญีในวิญญาณอันมีความรู้เป็นสภาพมีอยู่พระผู้มีพระภาคมีพระพุทธประสงค์จะทรงประกาศความที่วิญญาณ น, นั้นมีเป็นเอเนก โดยแตกออกเป็นจักขุวิญญาณธาตุโสตะวิญญาณธาตุคานกวิญญาณธาตุชิวหาวิญญาณธาตุกายะวิญญาณธาตุมโนธาตุและมโนวิญญาณธาตุดังกล่าวมานั้นและความที่วิญญาณนั้นเป็นของไม่เที่ยงเพราะมีความเป็นไปเนื่องอยู่ด้วยปัจจัยมีจักขุและรูปเป็นต้น ทรงถอนชีวะสัญญาอันนอนเนื่องอยู่ในสันดานมานานของบุคคลเหล่านั้นเสียจึงทรงประกาศท่าสิบแปดแถมอีกหน่อยพระผู้มีพระภาคทรงประกาศท่าแต่สิบแปดเท่านั้นก็โดยอำนาจแห่งอัจฉริยของสัตว์ที่จะพึงฝึกสอนได้ด้วยประการอย่างที่กล่าวมานั้นประการหนึ่งอันหนึ่งสัตว์เหล่าใดเป็นสัตว์จําพวกที่จะพึงฝึกสอนได้ ด้วยเทศนาอันไม่ย่อและไม่พิสดานักอันนี้ก็ด้วยอำนาจแห่งอัจฉริยของสัตว์จาพวกนั้นประการหนึ่งด้วยจริงอยู่ความมืดในหไทัยของเวนยสัตว์ทั้งหลายอันเดชแห่งพระสัทวธรรมของพระองค์กำจัดแล้วย่อมถึงซึ่งความสลายไปโดยพลันด้วยประการใดๆพระองค์ย่อมทรงประกาศ ธ, ธรรมะโดยนิยสังเขปบ้าง พิสดารบ้างด้วยประการนั้นๆแหลวินิจฉัยโดยความมีเพียงนั้นในท่าทั้งหลายนั่นบัณฑิตพึงทราบด้วยกล่าวาชนี้โดยการนับจํานวนข้อว่าโดยการนับจํานวนความว่าอันดับแรกจากขุธาต ว่าโดยชาติก็ถึงซึ่งการนับว่าเป็นธรรมะจำนวนหนึ่งคือเป็นจักขุประสาสตโสตธาตุขานธาตุชิวหาธาตุกายธาตุรูปธาตุสัตธาตุคันธาตุและราษฎธาติก็อย่างนั้นคือถึงซึ่งการนับว่าเป็นธรรมะจำนวนหนึ่งโดยเป็นโสตประสาทเป็นต้นแต่โพธพธาตุซึ่งถึงการนับ ว่าเป็นธรรมะจำนวนสามด้วยอำนาจแห่งปัทวีธาตุเตโชธาตุและวาโยธาตุจากขุวิญญาณธาตุถึงซึ่งการนับว่าเป็นธรรมะจำนวนสองโดยเป็นกุศ ล, ลวิปากวิญญาณและอกุศ ล, ลวิปากวิญญาณโสตวิญญาณธาตุขานวิญญาณธาตุชิวหาวิญญาณธาตุและกายวิญญาณธาตุก็อย่างนั้น ส่วนมนธาตถึงซึ่งการนับว่าเป็นธรรมะจำนวนสามโดยเป็นปัญจทวาราวชนะกุศลวิบากอากุศลวิบากและสัมปติชนะธรรมธาตซึ่งถึงการนับว่าเป็นธรรมะจำนวนย0สิบด้วยอำนาจแห่งอรูปะขันธ์สาสุขุมรูป 16, และอสังกตาธาต์ มโนวิญญาณธาตุถึงซึ่งการนับว่าเป็นธรรมะจำนวนเจ็ดสิบหกด้วยอำนาจแห่งกุศลวิญญาณอาุศลวิญญาณและอัพยากริวิญญาณที่เหลือแหลวินิจฉัยแม้โดยการนับจำนวนเนธ่าตทั้งหลายนั้นบัณฑิตพึงทราบดังกล่าวมาชนนี้โดยปัจจัย ในข้อว่าปัจจัยนี้มีวินิจฉัยว่าก่อนอื่นจากขูทาตเป็นปัจจัยโดยปัจจัยหกคือเป็นวิปยุตปัจจัยหนึ่งปูเรชาตปัจจัยหนึ่งอธิปัจจัยหนึ่งอวิคตะปัจจัยหนึ่งนิสยาปัจจัยหนึ่งอินทร ر ยาปัจจัยหนึ่งรูปธาตุเป็นปัจจัยโดยปัจจัยสี่ คือเป็นปูเรชาตปัจจัยอธิปัจจัยอวิคตะปัจจัยและอรารมานปัจจัยแก่จักขุวิญญาณธาตุธาตุที่เหลืออีกสี่คู่มีโสตธาตุและสัตธาตุเป็นต้นก็เป็นปัจจัยแก่วิญญาณธาตุที่เหลือมีโสตวิญญาณธาตุเป็นอาทิอย่างนั้นส่วนอวชนะมโนธาตุเป็นปัจจัยโดยปัจจัยห้า คือเป็นสม า, น, น, าจจนันตระปัจจยัยอานันตระปัจจัยนัตถิปัจจยัยวิคตะปัจจยัยอา น, นันตรูปะนิสยปัจจยัยแก่วิญญาณธ า, าตุทั้งห้านั้นวิญญาณธ า, าตุทั้งห้านั้นเล่าก็เป็นปัจจัยแก่สัมปติชนะมโนธาตุชันเดียวกันนั้นสัมปติชนะมโนธาตุก็เป็นปัจจัยแก่สันติรณะนโนวิญญาณธาตุ สันติรณะมโนวิญญาณธาตุนั้นเล oh mm ่าก็เป็นปัจจัยแก่วัทฐพนะมโนวิญญาณธาตุวัฏัพณะมโนวิญญาณธาตุเล่าก็เป็นปัจจัยแก่ชวนะมโนวิญญาณธาตุส่วนชาวนะมโนวิญญาณธาตุก็เป็นปัจจัยโดยปัจจัยหกคือโดยปัจจัยห้านั้นและเป็นอนันตระปัจจัยแก่ชวนะมโนวิญญาณธาตุ เป็นลำดับลำดับไปนี่เป็นนัยยะในปัญจทวารก่อนส่วนในมโนทวารผวังคมโนวิญญาณธาตุเป็นปัจจัยแก่อวัชนะมโนวิญญาณธาตุและอวัชนะมโนวิญญาณธาตุก็เป็นปัจจัยแก่ชวณะมโนวิญญาณธาตุดยปัจจัยห้า มีสมะนันตระปัจจัยเป็นต้นที่กล่าวมาก่อนนั่นแหละส่วนธรรมธาตุเป็นปัจจัยมากอย่างโดยปัจจัยเป็นต้นว่าสหาชาติปัจจัยอัญญามัญญาปัจจัยนิสยาปัจจัยสำปยุต์ปัจจัยอธิปัจจัยอวิคตาปัจจัยแห่งวิญญาณธาตุทั้งเจ็ด ส่วนธาตุทั้งหลายสิบเจ็ดมีจักขุ่ธาตุเป็นต้นและธรรมธาตุบางอย่างเป็นปัจจัยแม้โดยปัจจัยมีอารมณปัจจัยเป็นต้นแก่มโนวิญญาณธาตุบางอย่างอันหนึ่งใช่แต่จักขูแล้วรูปเป็นต้นเท่านั้นเป็นปัจจัยแห่งจักขูวิญญาณธาตุเป็นอาทิก็หาไม่ที่แท้แม้สิ่งอื่นมีแสงสว่างเป็นต้นก็เป็นปัจจัยด้วย เพราะเหตุนั้นบุรพาอาจารย์ทั้งหลายจึงกล่าวไว้ว่าอาศัยจกักรสุรูปแสงสว่างและมณสิการคืออาวัชชนะเกิดจากขววิญญาณขึ้นอาศัยโสตเสียงช่องหูและมณสิการเกิดโสตวิญญาณขึ้นอาศัยคานะกลิ่นลมและมณสิการ เกิดาณะวิญญาณขึ้นอาศัยชิวหารสน้ําลายละมนานสิการเกิดชิวหาวิญญาณขึ้นอาศัยกายผดทะพระปัทวีละมนานสิการเกิดกายะวิญญาณขึ้นอาศัยผวังคมมะณะคือผวังกจิตที่ไหวแล้วสองครั้งธรรมะละมนานสิการ เกิดมนโนวิญญาณขึ้นดังนี้นี้เป็นความสังเขปในข้อว่าปัจจัยนี้ส่วนประเภทปัจจัยโดยพิสดารจะมีแจ้งในนิเทศแห่งปฏิจจสมุปบาทวินิจฉัยแม้โดยปัจจัยใน่าทั้งหลายนั้นบัณฑิตพึงทราบดังกล่าวมาชนนี้ วินิจัยโดยเป็นสิ่งพึงเห็นข้อว่าโดยเป็นสิ่งพึงเห็นความว่าอันหนึ่งพึงทราบวินิจัยโดยเป็นสิ่งพึงเห็นในธาทั้งหลายนั่นแท้จริงสังขต ธ, ธาตุาทั้งหมดเทียวบันดิตพึงเห็นโดยความเป็นของว่างจากส่วนเบื้องต้นคืออดีตและส่วนเบื้องปลายคืออนาคต โดยความเป็นของเปล่าจากความยั่งยืนความงามความสุขความเป็นตนและโดยมีความเป็นไปเนื่องด้วยปัจจัยแต่เมื่อว่าด้วยความแปลกกันในธาตุทั้งหลายนั้นจากขู่ธาตุพึงเห็นเหมือนหน้ากลองรู ป, ปรธาตุเหมือนไม้ตีกลองจากขูวิญญาณธาตุเหมือนเสียงกลองโดยในย่าอย่างนั้น จักขุ่ธาตุเหมือนหน้าแว่นสองหน้ารูปธาตุเหมือนหน้าจักขูวิญญาณธาตุเหมือนเงาหน้าอีกในยะหนึ่งจักขุทธาตุเหมือนท่อนอ้อยแล ะ, มะเมล็ดงารูปธาตุเหมือนเครื่องหีบอ้อยและไม้บีบงาจักขูวิญญาณธาตุเหมือนน้ำอ้อยและน้ำมันงา ในยะเดียวกันนั้นจะขู่ธาตุเหมือนไม้สีไฟอันล่างรูปธปาตุเหมือนไม้สีไฟอันบนจะขู่วิญญาณธาตุเหมือนไฟในธาตุที่เหลือสี่มีโสตธาตุเป็นต้นก็ในยะนี้ส่วนมโนธาตุพึงเห็นเหมือนปุเรจรคือผู้นำน้าและอนุจรคือผู้ตามหลังแห่งวิญญาณธาตุทั้งหลาย มีจักขุวิญญาณธาตุเป็นต้นโดยความตามที่มันเป็นไปในธรรมาธาตุเวทนาขัน์พึงเห็นเหมือนลูกสอนและเหมือนหลาวสัญญาขัน์และสังขารขัน์เหมือนคนที่อาดูนเพราะต้องสอนและหลาคือเวทนาเข้าในยะหนึ่งสัญญาของปุถุชนทั้งหลายเหมือนกรำมือเปล่าเหตุทำทุกข์ เพราะความหวังให้เกิดเหมือนเนื้อป่าเพราะทําให้ถือเอานิมิตโดยความไม่เป็นจริงสังขารรักขันเหมือนบุรุษผู้ซัตว์คนอื่นลงหลุมทานเพลิงเพราะซั์สัตว์ไปในปฏิสนธิเหมือนโจรที่ราชบุรุษติดตามจับเพราะถูกชาติทุกข์ติดตามเหมือนพืชต้นไม้มีพิษเพราะเป็นเหตุแห่งคันทสันดาน อัน น, นัต t h ทั้งปวงมาให้รูปพึงเห็นเหมือนกองจากอันคมเพราะเป็นเหตุแห่งอุปัตถวนานาชนิตส่วนอสังขตธาติาทั้งหลายบัณฑิตพึงเห็นโดยความเป็นอมตะเป็นสันตะคือสงบระงับเป็นเขมะคือพ้นภัยเพราะอะไรเพราะเป็นฝ่ายตรงข้ามต่ออนัต t h ทั้งปวง มโนวิญญาณธาตุพึงเห็นเหมือนลิงในป่าเพราะไม่มีความหยุดอยู่ในอารมณ์ทั้งหลายเหมือนม้าเลวเพราะฝึกได้ยากเหมือนท่อนไม้ที่คว้างขึ้นฟ้าเพราะมันตกไปตามที่มันปรารถนาเหมือนนักฟ้อนรำในโรงฟ้อนรำอันแต่งกายหลกัหลกๆเพราะประกอบด้วยเครื่องแต่งกายอันหลากหลายคือมีกิเลสประการต่า ง, า ง, างมีโลภะโทสะ เป็นต้นแลปริเฉตที่สิบห้าชื่ออายตนะธาตุนิเทศในอธิการแห่งปัญญาภาวนาในปรกรณ์วิเศษชื่อวิสุทธิมักอันข้าพเจ้าทําเพื่อประโยชน์แก่ความปราโมทแห่งสาธุชนดังนี้จบปริเชตที่สิบห้าคำพีวิสุทธิมักพระพุทธโคสเทระรจนา